ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นพอการส่งใจไปทางอื่นมันมีภัย มันทำให้จิตใจอ่อนแอหวั่นไหวการที่เราเราสำรวมใจลงในปัจจุบันนี้ทำให้ใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุ ก, ต, ทกต่ออารมณ์ที่น่ายินดีอารมณ์ที่น่ายินร้ายต่างๆ คนเราก็มาเป็นทุกข์อยู่กับจิตใจไม่มั่นคงนี่แหละคิดดูให้มันเห็นนันมันจะไปผูกพันอยู่กับโลกอันนี้ก็เพาใจโอนแอต้านทานตัวอำนาจตัณหาไม่ได้ดังนั้นผู้ที่ท่านมีใจเข้มแข็ง ฝึกตนให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรเพียรสำรวมจิตใจไว้ภายในนานไปจิตใจมันก็เข้มแข็งหนักแน่นมันจึงได้ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่น่ายินดีร้ายต่างๆคนจริงเนี่ย ทุกคนเป็นทาตแห่งตัณหาเป็นธาตแห่งความอยากมานับธาตุนับชาตินับภพบไม่ถั่วแล้วก็ยังไม่เบื่อต่อความอยากเพราะว่ามันระลึกชาติหนนหลังไม่ได้ว่าตนแต่ชาติหนนหลังต น, นตนเป็นมาอย่างไรระลึกไม่ได้คล้ายๆกับว่า ตนไม่เคยเกิดมาแต่ก่อนถึงมาเกิดเอาชาตินี้เท่านั้นเมื่อมาเห็นโลกอันสีวิไลซึ่งหมู่มนุษย์ประดับตกแต่งขึ้นมานี่ก็หลงนึกว่าโลกนี้เป็นที่อยู่สบายดีมันจึงติดจึงคล้องที่ท่านกล่าวว่าสวรรค์อย่างนี้ ตนก็ยังมองไม่เห็นไม่ทราบว่าจะมีความสุขอย่างที่ว่าหรือไม่ก็มไม่รู้อืมอันนี้อถ้าหาความบุคคลไม่ฝึกผลจิตใจให้เกิดความรู้ความเห็นเองขึ้นมาเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องภายในผานก็ดีเรื่องโลกนี้ก็ดี ถ้าไม่เห็นแจ้งโดยปัญญาของตัวเองแล้วมันจะไม่ยอมปล่อยวางโลกอันนี้เลยมันก็จะหอไปในใจอย่างนั้นแหละอันนั้นก็คของเราอันนี้ก็คของเราอันนั้นก็บของเขานั่นควิถีวิจารณ์อยู่อย่างนั้นแหละ นี่สาเหตุที่คนเราจะคล่องอยู่ในโลกอันนี้นะถ้าเป็นผู้เชื่อว่าตนเคยเกิดมาแล้วแต่ชาติหนหลัง น, น, นับชาติไม่ถ้วนแล้วก็ตกเป็นทาสของตัญหาอย่างนี้เกิดมาชาติใดก็มีไม่มีผัวมีเมีย มีลูกทำนาทำสวนทำการค้าขายทำราชการงานเมืองบ้างเป็นช่างกอ่อสร้างบ้างสุดท้าจะใครถนัดอย่างไรก็หาทำงานไปเพื่อได้เงินได้ทองมาใช้จ่ายในครอบครัวก็มันเป็นมาอย่างนี้มันนับชาติไม่ทวนแล้วนะ แต่คนเรานะมองหาในดีทอนหลังไม่เห็นมันจึงไม่เบื่อแม้ในปัจจุบันนี้มันก็ไม่คิดไม่ได้พิจรารณาถึงความยุ่งยากความวุ่นวายของการอยู่ครองเรือนมันลำบากลำบนขนาดไหนมันไม่เอามาคิดมาตรองกัน ถ้าน้อมออกมาคิดมาตรองเพียงแต่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็น่าเอื้อมรละอาเต็มทีแล้วเพราะความเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันลำบากมากมันลำบากเพราะความเกิดมาแล้วต้องหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นตน้นมาบำรุงเลี้ยงร่างกายอันนี้ การหาอาหารการกินหาผ้านุ่งผ้าหม่มการสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้ถาวรมั่นคงการหาหยุกยามาบำบัดโรคภัยในกายอันนี้มันก็ไม่ใช่ของง่ายถ้ามันง่ายมันก็รวยกันหมดอสิมันก็มีที่ อยู่อันโอโถงมีบ้านอันทาวรลราคาเป็นล้านขึ้นไปแต่นี่ปรากฏว่าคนอยู่กระท่อมกระแท่กันมีมากมายเหลือเกินเพราะไมมีปัญญาที่จะหาทรัพย์ได้ขาดการศึกษาเราเรียน ทั้งแต่ชาติก่อนโน่นมามันก็ไม่สนใจในการเรียนอยู่โมมุสีสีไปเหมือนคนป่าคนเถื่อนไปอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียนกันเขาก้าวหน้า ก, นกันก็ไม่อยากเรียนนั่นกรรมมันก็ตกแต่งให้เกิดอยู่ตามบ้านป่าบ้านลงไปนูน่นไม่มีสติปัญญาอะไรหากินผักกินไม้ไป หากินหอยกินปูไปอย่างนั้นเนี่ยเราจิตใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมาแต่ก่อนมันไม่คิดที่จะก้าวหน้าไปเหตุนั้นถึงไม่ศึกษาเรียนวิชาความรู้อะไรเกิดมาในชาตินี้จึงเป็นผู้ความจำเสื่อม เรียนอะไรก็จำไม่ได้ผู้ที่เขาจเจริญนุ่งเรืองเพราะว่าเขาฝึกตนมาหลายชาติชาติก่อนๆมากระสนใจในการเรียนการปฏิบัติให้เป็นไปตามความรู้ที่ตนเรียนมาดังนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเขาจึง สนใจในการศึกษาเราเรียนเมื่อเรียนสำเร็จแล้วก็หางานหาการทำโดยความมันความขยัน mm. เขาก็ร่ำรวยขึ้นตั้งเนือ้อตั้งตัวได้แต่ถึงอะไรมันก็ไม่พ้นจากทุกข์หรอกไอ โลกียะรัพย์หรือความโลกียะสุขความสุขในโลกีเป็นของไม่จรังยั่งยืนแต่ก็ดีกว่าคนที่ไม่ศึกษาเราเรียนดีกว่าคนไม่มีความรู้ความฉลาดอันนั้นยิ่งตกต่ำลงไปชีวิตเหมือนกับพร ะ, พระจันทร์ในข้างแรม มีแสงสว่างออกมาพอลุกพอหูุ่หลล้าหลา้านี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเกียจคร้านในการเรียนในการทำข้อวัดปฏิบัติทำความดีต่างๆคนเรานี่ยเปมิมัวเมวาเกียจคร้านอยู่มันก็ไม่มีชีวิตนี่ก็ไม่เจริญนุ่งเรืองไปได้ในทางโลกก็ดีในทางธรรมก็ดี มันย่อมขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามนี่การที่บุคคลจะมาละความชั่วทำความดีให้เจริญก้าวหน้าไปได้นั้นมันอยู่ที่ความพยายามเอาคราวนี้มันไม่ได้คราวหน้าต่อไปเรียนให้มันได้ทําการค้าการขายคราวนี้มันขาดทุน ก็ไม่ถอยเอาต่อไปทำไปอีกเมื่อมันถูกจังหวะมันมันก็มีกำไรงามงามขึ้นมามกระต่อโู่กันไปเรื่อยๆท้งนี้และทางนั้นก็ท้องอาศัยบุญวาสนาที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นเข้ามาสนับสนุนด้วยพูดถึงผู้ครองเรือนทางโลกอันนี้นะ ถ้าไม่มีบุญวาสนาหนล้างมานุนส่งลำพังแต่อาศัยความคิดปัญญาในปัจจุบันเท่านี้มันไปไม่ได้เท่าไรรอกเพราะในตำรราพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้แล้วปุเพกะตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีมาแต่นในชาติฟังก่อนทำสี่อย่างนี้ดุดล่อรถนำไปสู่ความเจริญ การได้เกิดมาในประเทศอันสมควรการที่บุคคลได้คบนักปราชญ์บัณฑิตการได้ฟังคำสอนของนักปราชญ์แล้วปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้นให้สมควรแก่การปฏิบัติปฏิบัติไปได้ให้เห็นผลขึ้นมาด้วยตนเอง ทำเหล่านี้ล้วนแต่นำไปสู่ความเจริญทั้งนั้นเพราะคนเราจะเกิดมาในโลกนี่อยู่คนเดียวไม่ได้เกิดคนเดียวก็ไม่ได้ก็มีหมู่มีคณะเกิดมาร่วมโลกกันทีนี้เมื่อเราเกิดมาในประเทศอันสมควรมีพระพุทธศาสนามันก็มีนักประหาดบัณฑิตผู้ฉลาดในคําสอน ของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของคนอื่นมันก็มีนั่นแหละการได้ข้อผาสมาคมกับนักปราชญ์เช่นนั้นท่านก็ชักจูงให้รักความชั่วทาความดีให้เจริญยิ่งขึ้นไปมันเป็นอย่างนี้คนเรานะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะมารู้ด้วยตนเองเหมือนพระพุทธเจ้านั้นหาไม่ได้ มีองค์เดียวมีพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหละที่พระองค์ไม่ต้องอาศัยครูอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนในทางโลกุตรธรรมแต่ในทางโลกีนั่นมีครูสอนให้เหมือนกันน่ะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพอออกบวชเสวังหาทางตัดสู้แล้วไม่ไม่อาศัยครูอาจารย์แล้ววะนี่ ก็ในโลกนี้ไม่มีใครตัดสู้ก่อนพระองค์ไม่มีเลยดังนั้นพระองค์เจ้าจึงไม่ได้สรงสเสวงหาครูอาจารย์ในทางโลกุตตรธรรมทรงภาคเพียรไม่ยามค้นคว้าโดยลำพังพระองค์เองในที่สุดก็ได้ตัดสู้ ในที่สุดก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลกได้ประกาศความตรัสรู้นั้นให้แก่มนุษย์และเทวลาเทวดาทั้งหลายได้ฟังพระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์ละความชั่วอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้พระองค์ฝึกขนจิตใจของพระองค์เองอย่างนั้น โดยข้อปฏิบัติอันนั้นพร อ, องเจ้านำมาแสดงให้พุทธบริษัททางหลายฟังผู้ที่มีอินทรีแก่กล้าเต็มที่แล้วพอฟังแค่นิดหน่อยท่านจบลงก็ได้บรรลุอรหัตตาพนผู้อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ ฟ, ฟังทมแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุ ต้องจดจำเอาคำสอนข้อปฏิบัตินั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกตนให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปแล้วก็เมื่อมันอินทรีย์แก่กล้าโดยรอบแล้วมันก็มีทางบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้มันมีขั้นตอนเป็นอย่างนี้ขั้นตอนที่สอง พระศาสดาทรงแสดงธรรมยกหัวข้อธรรมเกินแล้วอธิบายไปพอสมานสงวรจบลงก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษกันนี่สำหรับผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเป็นอย่างนั้นผู้มีอินทรีย์อ่อนอยู่แม้ว่าพระองค์จะแสดงธรรมยังไงยังไง ก็ไม่มีทางจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ได้แต่ความเลื่อมใสเท่านั้นเองได้ความเลื่อมใสแล้วไปลงมือประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนของตนพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเบื้องหน้าต่อไป นี่หลเราจะเห็นได้ว่าคนเราถ้าไม่มีบุญสักอย่างเดียวแล้วหาความสุขไม่ได้เมื่อกล่าวโดวยสรุปใจความแล้วแม้ความสุขในโลกีก็หาไม่ได้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีบุญหนหลังมาหนุนส่งความสุขในโลกุตรธรรมก็เหมือนกันถ้าบุคคลไม่สั่งสมบุญกุศลไม่ฝึกตน ให้ดีมาแต่ชาติก่อนอมาชาตินี้จึงมาฝึกตนไปเพื่อให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอย่างนั้นไม่มีทางไม่มีทางบรรลุได้คู่จะบบนลุได้ต้องมีบุญกุศ ล, ลหลังที่ตนได้ฝึกขนอบรมมาติดสอยห้อยตามมา เมื่อตอนลงมือปฏิบัติธรรมบุญกุศลนั่นก็มาโดนจิตโดนใจให้รู้ให้เห็นธรรมของกิงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามกำลังความสามารถของตนของตนบุญกุศลโนหนังนั่นแหละมาสนับสนุนให้คนเรา มีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดได้คนไม่มีปัญญาในโลกนี่ล้วนแต่ไม่มีบุญกุศลความดีมาหนุนส่งทั้งนั้นแหละถึงได้เป็นคนขาดสติปัญญาบา ร, รมีไปทำความดีอะไรก็ไม่ได้นี่ทีนี้เหมือนอย่างที่เราทำความดีในปัจจุบันเนี่ยเราฝึกตนอยู่เนี่ย ถึงแม่ไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้แต่บุญกุศลความดีอันนี้สติปัญญานี่ก็ติดสอยห้อยตามไปพอไปเกิดในภพใดชาติใดมูลกุศลอันนี้ก็จะไปสนับสนุนให้มีจิตอินดีในการปฏิบัติธรรมและบุญกุศลอันนี้ก็จะนำไปเกิดในที่มีพระพุทธเจ้า ว, วังเกิดขึ้นในโลก หรือว่ามีศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงวางไว้เหมือนอย่างปัจจุบันนี่แหละเราเกิดมาก็ได้มาพบพุพทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์วางไว้ก็มีผู้เรียนผู้นับถือปฏิบัติติดต่อกันมา เมื่อผู้มีบุญราสนาบา ร, รมีได้ทรมาแต่ก่อนมาได้พบคำสอนของพระเจ้าแล้วก็เห็นตามที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ก็ปรารถนาอยากปฏิบัติตามให้พ้นทวยใตไตตะ ต, ตามพระองค์เช่นเห็นทุกข์อย่างนี้นะมันต้องเห็นทุกข์นี่แหละคนนะคนเรานะ ถ้าไม่เห็นทุกข์แล้วมันจะไม่เบื่อทุกข์ในโลกอันนี้มันก็จะไปติดพันอยู่กับโลกอันนี้แหละผู้ที่ไปผูกพันอยู่กับโลกอันนี้ก็เพราะมันไม่เบื่อในทุกข์นั่นเองเนี่ยดังนั้นมันจึงไปทู้เอาทุกข์ปัดญายากปัญญาระบากปัญญาก็ไม่ว่าเพราะสิ่งล่อใจให้เกิดความยินดีอยู่ในโลกมนุษอยู่ คือตัณหาเนี่ยตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในสัมผัสต่างๆมันเนี่ยมันรู้อำนาจแก่ตัณหาเหล่านี้นี่ยคนเราน่มันถึงไม่ได้ปฏิบัติฝึกขัดตนไม่ได้ศึกษาเรียนคำสอนของพระเจ้าเป็นยังไง พอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนสมองทึบเรียนอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจำเ hmm. มือ่อบุคคลมารู้ว่าตนน่ะเป็นผู้สมองทึ บ, บเรียนไม่เก่งอย่างนี้ก็ไม่ท้อถอยอถ้าเราท้อถอยเสียชาติต่อไปก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละ เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะการที่บุคคลจะพ้นทุกข์ได้มันต้องช่วยตัวเองจะให้พระพุทธเจ้ามาช่วยให้เราพ้นทุกข์มันไม่ได้ตนเองเน่ะทุกคนน่ะต้องช่วยตัวเองอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาที่ตนบำเพ็ญให้เกิด ใ, ให้มีขึ้นนั่นเนี่ยเป็นกำลังของจิตใจ ละราคะโทสะโมหะให้เบาบางแล้วหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี่สำหรับสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์นาประการเช่นอย่างว่ามันนำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจใ ร, ร้องไห้ลำเลอยู่ในโลกสันิวัตอันนี้ก็เพราะตัณหาเนี่ย สนาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทีนี้เมื่ออยากแล้วเกิดมามาพบรูปเสียงเป็นต้นเขาก็อยากได้แสวงหาพอได้มาแล้วของเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงมันก็วิบัติแปลปรวนไปตนก็มีความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจพิไรลําพันธ์ กับความผิดหวังในสิ่งที่ตนเห็นว่าน่าจะมีความสุขเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วกลับได้ความทุกข์ไปแทนนี่แหละความเป็นผู้ไม่เห็นโทษแห่งตันหาตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตันหาแล้วมันมีตั้งแต่จะหมูนไปสู่ทุกขโดยส่วนเดียว มูนี้มันไม่รู้กันนะเอมันไม่รู้ถ้ามารู้ว่าตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้ด้วยปัญญาอย่างจริงผู้นั้นไม่สะสมตัณหาให้มากขึ้นไปเลยอเช่นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนะพระองค์รู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระองค์ก็เบื่อทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ เหตุดังนั้นจึงสละราชสมบัติหนีออกไปบวชมีแต่บริขารแปเท่านั้นติดตัวไปสมบัตินอกนั้นไม่มีอะไรเรียก ว, ว่าพระองค์ละตัณหาอย่างใหญ่หลวงทีเดียวพรชสมบัติทั้งหมดยกให้ผู้อื่นไปเลยให้มีสิทธิ์ที่จะครอบครองกับครอบครองไปเถิด พระองค์ไม่เอาแล้วเนื่องนั้นพระองค์เจ้าก็จึงได้วิเวกกายวิเวกใจวันนี้ได้ความสงดกายสงดใจเพราะว่าไม่มีความอยากอยู่ในใจแต่ความอยากมันก็ยังไม่หมดหรอกบอกบทที่แรกแต่มันถ้าระ ง, งับไอความอยากส่วนห ย, ยาบๆนั้นนะมันระ ง, งับลง เช่นอยากเป็นพระราชามากษัตริย์อยากมีอำนาจครอบครองทีวิตทั้งสี่อันนี้อยากมีสมบัติมากๆอะไรโมนี้นะองคล์ละเสียได้ตั้งแต่ตอนออกบวทที่แรกคุณตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ขันห้านี่องคเจ้าจึงว่าประกอบความเพียรภาวนาปงขันห้าวางขันห้าลงไป ไม่ถือว่าขันห้านี้เป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเหตุที่จิตมันมาอาศัยอยู่ก็เพราะมันหลงถ้ามันไม่หลงมันก็ไม่ถือมัน่นเพราะองค์มาจับจุดนี้แหละได้ก็จึงได้พลิกความหลงอันนั้นกลายมาเป็นความรู้รู้ว่าขันห่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นของไม่เที่ยงจะไปดิน้นรนทะเยอะทะยาน ยินดีพอใจในขันห้านี้ไปทําไมพระองค์ก็สอนพระองค์ไปในที่สุดพระองค์ก็พงขันห้าวางขันห้านี้ได้เมื่อวางขันห้าได้แล้วมันก็วางได้หมดทุกอย่างเลยกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดอะไรก็ดับไปตามกันมันมายากกับที่มัน ละขันห้าวางขันห้าไม่ได้นี่แหละเนี่ยมันเป็นนีได้สร้างกิเลสขึ้นในใจมากมายเพราะฉะนั้นหลงวงปู่ในจวะาการปฏิบัติธรรมนี่ให้พึ่งพากันรวบรวมกําลังใจด้วยการกระทําความดีต่างๆมีให้ทานเป็นต้นให้มาเป็นกําลังใจเข้มแข็ง แล้วก็สอนใจให้ปรุงให้วางขันห้าี้ลงไปการที่เราทำใจให้สงบลงไปแต่ครั้งนั้นนี้ว่าเราปรุงขันห้าลงไว้แต่มันก็ยังไม่ขาดหรอกแต่มันจะปรุงไปได้ส่วระยะหนึ่งการที่เราใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจให้เห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตาย ไ้เห็นโทษแห่งตัณหาความวุ่นวายความเบียดเบียนซึ่งกันและกันในโลกอันนี้มันเป็นอุบายสอนใจให้เบื่อนายตัวขันห้านี่แหละราะมีขันห้านี่แหละมันถึงมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงมีการทำการทำงานแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากกลา ก, กรรมก็เพราะมีขันห้านี้เป็นมูลเหตุ นี่มันต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนี้ปัญญานะมันถึงเบื่อหน่ายตัวขันห้านี่มั น, เ, นเมื่อเราพี่น้าให้เบื่อหน่ายบ่อยๆเข้าไปมันก็คลายความกำหนัดยินดีลงเป็นอย่างนั้นมันก็ค่อยคลายออกทีละน้อยๆไปเมื่อมันคลายความกำหนัดยินดีไม่ได้เท่าไหมันก็คลายกิเลสอย่างอื่นไป ตามๆกันเช่นความโกรธความหลงความมัวมองต่างมันก็ระงับไปตามตา ม, ตามกันไปนเพราะฉะนั้นราคะตัณหาตัวนี้ท่านจึงตั้งไว้เบื้องหน้านั่นแหละมันขึ้นหน้ามันออกหน้าออกตาเพื่อนดังนั้นอย่าไปตกเป็นทาสของราคะตัณหาคนเราเพียนพยายามกาจัดมันให้มันน้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไป โดยอำนาจแห่งความภาคภิวิยามดังกล่าวมานั้นก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา